นะย้อนกลับมาหาถึงพระพุทธพจน์คาถาเราเรียนคาถาอะไรรู้ไหมพุทธพจน์โครงโครงใหญ่จากพุทธพจน์เราเรียนเรื่องอะไรอยู่มาจากคาถา ท, าที่เราเรียนองค์รวมก่อนนะมาจากคาถาว่าสีเลปฏิทฐายะนโรสปันโยจิตตังปัญญัจะภาวายังอาตาปีนิปโกพิภูโส อ, อิมังวิชาตาเยชะตังในหน้าสิบสองอ่ะนะดูนะในหน้าสิบสองนี้ ว่านราผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญาอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีความฉลาดเป็นภิกษุเขาจะพึงทังชัดนี้ไดนนะ้ในหน้าแรกเลยก็เป็นคาถานี้เหมือนกันในหน้าสิบสองก็ยังคาถาเดียวนะโอหน้าจะจําได้นะมีตั้งหลายครั้งเสร็จแล้วใจความโดยสรุปของคาถานี้คืออะไร น, นะใจความโดยสรุปของคาถานี้ในหน้าสิบสออีกเหมือนกันบรรทัศ สบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะเห็นว่าในภักฐานนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิสุทธิมักคือคําว่าวิสุทธิมักนี้มีมีหลายในใช่ไหม <Okay. S 1> วิสุทธิมักมีอยู่6กในด้วยกันนะวิสุทธิมักในที่หนึ่งบอกว่าวิปัสนาเท่านั้นนะวิปัสวิสุทธิมัรในที่สองก็คื อ, อวิสุทธิมักในที่สองก็คือฌานกับปัญญาวิสุทธิมัรในที่สก็คือ กรรมเป็นต้นวิสุทธิมัคในที่สี่ก็ศีลเป็นต้นวิสุทธิมัคในที่ห้าก็สติปัฏฐานเป็นต้นวิสุทธิมัคในที่6ก็ยินดีในความไม่ประมาทเป็นต้นนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นในวิสุทธิมัคคาว่าวิสุทธิมัคในพระไตรปิฎกมีหลายแห่งหลายในแต่ใจความก็อันเดียวกันคืออริยมัคหรือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ว่าในวิสุทธิมัค ที่ท่านเอามาสงเคราะห์จากคาถาสีเลปติทายะเนี่ยนะได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาเป็นสาระสำคัญทีนี้เมื่อกล่าวถึงว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเชื่อมไปหาคำสอนอะไรได้บ้างเนี่ยนะถ้าเรารู้คำว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถามว่ารู้แค่นี้พอหรือยังเนี่ยนะถ้ารู้แค่นี้ก็ยังไม่ได้ไม่พออะไรเพราะว่าเราเคยได้ยินคำว่าศีลสมาธิปัญญามานานแล้วถ้าพูดคาว่าศีลสมาธิปัญญาเชื่อมไปหา ธรรมะอีกเก้าหมวดใหญ่ๆก่อนเป็นต้นนะนะยังมีเพิ่มกว่านั้นอีกใช่ไหมอย่างในหน้าสิบสามที่เรากล่าวไปแล้วว่าด้วยพระเทศนาคือศีลสมาธิปัญญาเท่านี้นะเป็นอันพระพุทธเจ้าประกาศศีกขาสามแล้วในคาถานั้นพระพุทธเจ้านี่กล่าวถึงพระาศาสนามีความงามสามประการแล้วหรือเท่ากับว่าพระองค์ได้ตรัสอุปนิสัยแห่งคุณวิเศษมีวิชาสามเป็นต้นแล้วหรือว่าพระองค์ได้ตรัส การเว้นส่วนสุดทั้งสองและการเสพข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางเรียบร้อยแล้วหรือว่าคาถาเท่านั้นเท่ากับว่ากล่าวถึงอุบายเป็น9ก้าล่วงพบมีอบายเป็นต้นนะในคาถาศีลสมาธิปัญญานี่แหละเท่ากับว่าพระองค์ได้ตรัสการละกิเลสโดยอาการสามสนะศีลสมาธิปัญญาอีกนั่นแหละเท่ากับว่าเป็นธรรมะอันเป็นปฏิปัก ค, คือเป็นตัวที่ละวีติกมะกิเลสเป็นต้นแล้ว ก็สีนสมาธิปัญญาอีกนั่นแหละเป็นธรรมะที่ชำระสางสังกิเลสสอย่างแล้วก็ธรรมะสมอย่างคือสีนสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเหตุแห่งการเป็นพระอริยะบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะสีนสมาธิปัญญาเนี่ยแหละเชื่อมไปหาธรรมะอีก9หมวดนี้นี่เฉพาะวิสุทธิมัทยท่านยกมาให้นะในปร ม, มัตถมัญชุสามหามหาดีกาเนี่ยนะวิสุทธิมัทยมหาดีกาเนี่ยยังเพิ่มนัยยะ ให้เราไปอีกเช่นวิโมกษสามวิเวกสามเป็นต้นซึ่งเราจะได้กล่าวกันต่อๆไปตรงนี้เอาเก้าอย่างมาก่อนถ้ารู้จักศีลสมาธิปัญญาดีนะธรรมะเ้าข้อนี้ควรจําควรจําให้ได้และจะเห็นคุณค่าของคําว่าศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําว่าศีลอย่างเดียวเนี่ยเท่ากับเป็นศีลเนี่ยนะเป็นศีลและศิขาด้วยศีลเนี่ยเป็นธรรมะที่ละอา่าเป็นธรรมะที่งามในเบื้องต้น ศีลอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งคุณวิเศษคือวิชา 3. สามศีลอย่างเดียวเนี่ยชื่อว่าเป็นการเว้นจากการมาสสุคาลิกานุโยกศีลอย่างเดียวเนีเป็นอุบายในการล่วงพ้นจากอบายศีลอย่างเดียวเนี่ยคือการละละกิเลสเนี่ยนะละกิเลสโดยอาการสามอย่างเนี่ยนะคือละโดยตะทางข้าประหาร ศีลอย่างเดียวเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อวีติกมามะกิเลสศีลอย่างเดียวเนี่ยชัมระสังกิเลสคือทุจริตศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งการเป็นพระอริยบุคคลมีศีล เ, เป็นเหตุแห่งการเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันเนี่ยนะถ้าเข้าใจศีลปั๊บจะต้องเชื่อมศีลเนี่ยเป็นกายะวิเวกฉั้นคนที่มีศีลเนี่ยเท่ากับอะอะโทสักุศลมูลศีลอย่างเดียวเนี่ยเท่ากับเป็นเท่ากับเป็นอุปนิสัยแห่ง อาอนิมิตวิโมกมันเชื่อมไปอีกตั้งหลายเรื่องนะถ้าเข้าใจคําว่าศีลอย่างทราบซึง้งนะของเราได้คําว่าศีนอย่างเดียวก็เลยเท่ากับได้กุญแจมาอันหนึ่งอะไม่รู้ไปไขไป เ, เปิดอะไรนะคำว่าศีนก็เหมือนกับกุญแจดอกหนึ่งอะนะไม่รู้ว่าไขเปิดตรงไหนก็ไม่รู้ไขเอามาทําอะไรก็ยังไม่ค่อยรู้เลยอันนัทีนี้ครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวไปแล้วว่าศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยนะถ้าเข้าใจศีลสมาธิปัญญาก็เท่ากับได้ สิกขาสามนะันะคือได้อธิศีละสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานะแล้วก็กล่าวถึงถ้าศาสนามีความงามสประการปฏิบัติศาสนานะีอธิศีละสิกขาเป็นความงามแห่งปฏิบัติศาสนาในเบื้องต้นอธิจิตตสิกขาเป็นการปฏิความงามของศาสนานะปฏิบัติศาสนาที่มีความงามเป็นท่ามกลาง อธิปัญญาศเสขาเนี่ยนะหรือปัญญานั้ย น, นะเป็นปฏิบัติศาสนาที่งามในที่สุดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เข้าถึงปัญญาแล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนกับภูเขาหินว่างั้นเลยไม่กระเทือนด้วยลมที่มาจากทิศ ท, ทั้งสนะพระอริยบุคคลที่มีปัญญาระดับอรหัตผลนะก็ไม่กระเทือนในโลกกระทำทั้ง8ทีนี้วันนี้ก็มาเชื่อมเนื้อหาต่อจากครั้งที่แล้ว ในหน้าสิบห้าหน้าสิบห้าที่กล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาสามอย่างเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยแห่งคุณวิเศษนะมีวิชาสามเป็นต้นครั้งที่แล้วก็กล่าวว่าอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นอันทรงประกาศไว้แล้วด้วยศีลเ น, นี่ยนะซึ่งตอกย้ำว่าทำไมศีลจึงเป็นเหตุแห่งวิชาสามนะ ทำไมศีลจึงเป็นเหตุแห่งวิชา 3? สามศีล น, นี้สําเร็จด้วยสติใช่ไหมใช่ไหมศีลเนี่ยสติคนที่มีสติจึงจะมีศีลปุเพนิวาสานุสติญาณก็อาศัยสตินั่นแหล ะ, ล, ะลึกไปเนี่ยนะคนที่มีศีลดีแสดงว่ากรรมมัสกามั่นคงพราะคนที่กรรมสกตามั่นคงเป็นอุปนิสัยแห่งจุตูปปาตญาณเพราะฉะนั้นอาศัยศีลเป็นบืพื้นฐานก็บรรลุอาสวัคยญาณได้ ทีนี้ก็มาขึ้นข้อต่อไปว่าอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้ได้อภิญญาหเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยสมาธินะในหน้า16ในหน้า1 6กล่าวว่าอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้ได้อภิญญาหเนี่ยนะทรงประกาศไว้ด้วยสมาธิจริงอยู่คำว่าจริงอยู่นี่เป็นคำอธิบายนะจะอธิบายคาที่กล่าวมาแล้วว่าภิกษุบรรลุอภิญญาหได้เพราะอาศัย ความถึงพร้อมแห่งสมาธิมิใช่บรรลุอภิน ญ, ญา6ได้เพราะอาศัยธรรมะอื่นจากสมาธิสัมปทานนั้นฉั้นคนที่จะได้ได้อภิญญาหนั้นคนนั้นจะต้องบริบูรณ์ด้วยสมาธิเนี่ยนะสมาบัติ8เหมือนกันเถอะสมาบัติ8แล้วก็หลังจากที่ได้สมาบัติหรือว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยจึงน้อมไปเพื่ออภิญยาได้อภิญญาเนี่ยอภิญญนี่แปลว่ารู้ยิ่งยาเนี่แปลว่าความรู้นะ ความรู้ที่ยิ่งยิ่งเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะรู้ได้เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยนะทำให้ให้จิตบริสุทธิ์สมาธิเนี่ยทำให้จิตเนี่ยผุดพอกสมาธิทําให้ไม่มีกิเลสทําให้ปราศจากอุปกิเลสทําให้จิตนี่อ่อนทําให้จิตนี่ควรแก่การงานทําให้จิตตั้งมั่นไม่หวันไหวอ ย, อย่างนั้น นะถ้าหากว่าจิตที่เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไวอย่างนี้นะ น, ะ <t aps> น้อมไปเพื่ออิทธิวิธีก็ได้นะนะถ้ามีคุณธรรมคือจิตมันอ่อนขนาดนั้นแล้วเนี่ยน้อมไปเพื่ออิทธิวิธีประสงค์จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้จะเดินทะลุกับช่องภูเขาอ่างนั้นเถอะ <t aps> เหมือนเดินไปในที่ล่งๆก็ได้ อันนี้สําหรับคนมีได้ช้านะของเราเนี่ยเดินไปเนี่ยติดเลยเดินตรงไห น, นติดตรงนั้นหมดบางแห่งก็ต้องเสียบัตรผ่านประตูะนะสมจิตมันไม่ค่อยดีอะ่ะต้องเสียค่าผ่านประตูเอาแต่ถ้าไดพิญญาได้อิทธิฤทธิ์อย่างนี้แล้วก็สบายก็หมายความว่า <c oughs> อ <c oughs> พอได้พรจิตเป็นสมาธิไม่อาจจะเป็นขั้นช้านขั้นสี่ขั้นห้า น, นี่นะครับอ่าถ้าได้แล้ว ก็หมายความว่าน้อมไปเพื่อที่จะบรรลุอภิญญานี่นะเช่นบุเพนิวาสานุสติยา น, นี่ก็หมายความว่าต้องได้ต้องได้ฌานอย่างดีมาก่อนแล้วถูกไหมครับแล้วจึงจะฝึกให้ให้ได้อภิญญา น, นี้ฝึกน้อมไปหาอภิญญาเหล่านั้นเจนพร พื้นฐานจิตที่บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยนะจิตที่มีคุณธรรมในลักษณะเนี่ยน้อมไปเพื่อแสดงฤทธิ์ต่างๆได้น้อมไปเพื่อได้ยินเสียงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งอยู่ไกลขนาดไหนก็น้อมมาฟังได้หรือว่าน้อมไปเพื่อรู้วาระจิตของผู้อื่นก็ได้หรือว่าน้อมไปเพื่อละลึกชาต ต่างๆเป็นอนเนกก็ได้น้อมไปเพื่อเห็นมีตาทิพย์ะนะมองเห็นรูปที่ละเอียดประณีตแม้ไกลและใกล้ ก, ก็ได้แล้วก็อาศัยสมาธิเนี่ยเป็นเหตุให้บรรลุอาสวะคยายานก็ได้อภิญญามี6นะ 1. อภิญญาหคืออิทธิวิธีการแสดงฤทธิ์ได้ 2. ทิ่พโสตมีหูทิพย์ ข้อสเจโตปริยานรู้วารจิตสปุเพนิวาสานุสติญาณการละลึกชาติได้ 5. ทิพจักขุยานเห็นรูปอันเป็นอ่าเห็นเห็นรูปอันนะคือมีตาทิพมือนนันเถอะเห็นรูปไกลรูปใกล้แม้กระทั่งเห็นรูปของเทวดาก็ได้อ่าบางคนเนี่ยนะมีแต่ตาทิพไม่มีหูทิพก็มีนะ อย่างสุนัขตาิชวีเนี่ยมีแต่ตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์เขาบริกรรมกรสินแล้วก็ทําตาทิพย์ให้ได้มองเห็นเทวดาทีนี้เอเทวดาคุยอะไรไม่ได้ยิน<ม>เขาไม่มีหูทิพย์ทีนี้ก็ไปถามบริกรรมเพื่อจะทําหูทิพย์จากพระผู้มีพระภาคพระองค์ไม่สอนให้เพราะว่าไอ้สุนัขตาิชวีพิครูปุ่นนี่ไม่มีอุปนิสัยเคยไปตบหูเขาไว้อะ น, นะอุปนิสัยแห่งหูทิพย์ไม่มีอันนะัเออนเะไปตบส่วนไหนมีผลหมดนะ ไม่ไม่มีหูทิพย์แกก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้านี้เก็บความรู้เอาไว้กลัวจะสอนแกหมดถ้าสอนหมดเอเราก็มีตาทิพย์หูทิพย์เราก็เป็นกษัตริย์มาบวชเดี๋ยวก็จะเทียมเท่าพระพุทธเจ้าทั้นตอนแกก็เลยคิดลามกกับพระพุทธเจ้าคิดไม่ดีตอนหลังเนี่ยแกก็มีความเห็นว่ากล่าวตูพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมโดยอาการตรึกทั้นแต่ว่าคนที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพูดนะได้ผลจริง แต่ว่าคุณธรรมมันมีในตัวพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าที่สอนเนี่ยสอนโดยการตรึกแกโกรธพระพุทธเจ้ามากหลังจากที่ฌานเสื่อมน่ะนะเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่สามารถมีครบทั้งหเนี่นะแต่ถ้าหากว่าคุณธรรมคืออภิญยาทั้ง6เหล่านี้เกิดจากการแสดง เ, เกิดจากสมาธิสมาธินี่ทำให้ได้อภินญาทั้ง6อย่าง เพราะว่าที่เราทําอะไรไม่ได้เลยนะเช่นสแสดงฤทธ์อะไรก็ไม่ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ไม่ได้ดําลงไปในแผ่นดินเหมือนในน้ําก็ไม่ได้เดินเหยียบน้ําเหมือนเดินบนบกก็ไม่ได้เว้นแต่น้ําแข็งนะไปเดินที่ที่มันน้ำแข็งอนะเ ด, งนะเดินเหยียบได้ขึ้นลานสเก็ตนีแต่ถ้าเพิ่มไม่ดีก็หัวทิมหัวดำเหมือนกันนะเดินเท้าปลายก็ชายแต่คนมีฤทธิ์ไม่เป็นไรเห็นไหมหรือหูวทิพย์เนี่ยนะแต่สมัยนี้เราไม่ต้องใช้หูวทิพย์เลยนะ มีอะไรก็คุยทางโทรศัพท์เอากันแล้วกันสบายเล่นะข้อ6กออภิอภิยสตรนะอริยศาสตรยังไม่แทงตลอดเลยนะข้อ6ก็คืออาสวะคย่ายานะนะการบรรลุอริยศาสตรนั่นเองอภินยา6นะข้อ6คืออ๋อไม่ใช่ข้อ1อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ข้อ2หูทิพข้อ3รู้วาระจิต ข้อสี่ระลึกชาติได้ข้อห้าตาทิพข้อหกการแทงตลอดระยะสัตว์นะ น, นะเรียกว่าอาสวะขยายาน <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่จะได้พิญญาหกนี้สมาธินะเพราะฉะนั้นสมาธินี้ถือว่าเป็นอุปนิสัยเหตุปัจจัยที่มีกำลังมากต่ออภิญยาทั้งหกอย่างนี้ ก็ไปอุปติสัยแห่งความเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมพิธาเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยปัญญาจริงอยู่ภิกษุบรรลุปฏิสัมพิธาสีได้เพราะอาศัยปัญญาสมบัตินะถึงพร้อมด้วยปัญญามิใช่บรรลุปฏิสัมพิธาสีได้เพราะเหตุอื่นจากปัญญาสมบัตินั้นถ้าไม่มีปัญญาอย่างไรก็ปฏิสัมพิธาไม่ได้อย่างแน่นอน คนที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะได้ปฏิสัมพิทาสีทีนี้ปัญญาสมบัติเนี่ยนะที่ได้อบรมมาแล้วด้วยการประกอบมาในอดีตจึงจะเป็นอุปนิสัยแห่งปฏิสัมพิทานะถ้าหากว่าจะบรรลุปฏิสัมพิทาเนี่ยบรรลุเมื่อไรคือพอแทงอริยมรรคเกิดขึ้นอริยผลดับไปเนี่ยนะปฏิสัมพิทามาพร้อมกับอริยมรรคเขาบอกว่ามาพร้อมกับอริยมรรคยกตัวอย่างนะ ถ้าผู้ที่ได้อุออปนิสัยแห่งวิชาสามพออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้วิชาสามละถ้ามีอุปนิสัยมาก่อนถ้าคนจะได้อภิญญาหกนี่นะอริยมรรคเกิดขึ้นอภิญญาหกจะตามมาด้วยาบางคนที่ได้ปฏิสัมพิทาสี่อรหัตตมรรคเกิดขึ้นอภิญญาสี่ก็ปฏิสัมพิทาสีก็มาด้วยอภิญญาหกก็มาพร้อมกับมรรคนั่นแหละหรือสาวกโพธิญาณก็มาพร้อมกับมรรค ปัจเจกโพธิยานก็มาพร้อมกับมรรคสัพพัญยุตยานเนี่ยนะของพระผู้มีพระภาคก็มาพร้อมกับอริยมรรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นปฏิสัมพิธา4ีเนี่ยนะเพราะปัญญาสมบัติเนี่ยนะคือการสะสมอบรมปัญญาม า, มากาถ้าบรรลุขั้นพระโสดาบันหรือมัสการทัามีนี่ก็มีผู้ที่ได้ปฏิสัม พ, พิธามีไหมครับมีพระนอนนี้ พระนนเนี่ยปฏิสัมพิธานีตั้งแต่สมัยยังเป็นประโสดาบันเช่นพอดเนี่ยนะ ป, ปฏิสัมพิธาเสขากะอเสกขาอเสขาดีกว่าแต่ว่าพระเสขาก็ได้ปฏิสามพิธาอย่างจิตตาเครือหาบดีนี่ก็ปฏิสามพิธาแต่ยังน้อยต้องต้องเป็นอาเสกข า, าต้องเป็นพ ร, พระอริยะก่อนจึงจกได้นี่นะคือที่จริงแล้วพระอริยะทุกท่านได้อภิญญาหมดเลยแต่ว่าอภิญญาจะเท่ากันหรือไม่นี่นะ ปัญญาที่เป็นเหตุให้ได้ปฏิสัมพิทาเนี่ยคือปัญญาอย่างไรนะน่าคิดเนี่ยนะปัญญาที่อบรมที่เป็นเหตุให้ได้ปฏิสัมพิทาในดิการท่านยกตัวอย่างว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแผ ล, ลนะก็คือยกจากพระพุทธพจน์นะที่พระผู้มีพระภาคตรัสในคาถาที่พระองค์ตรัสกับพระโพธิละนะพระโพธิละที่เราเคยได้ยินว่าเทนใบลานเปล่านะ คือทรงพระไตรปิฎกมาหลายศาสนาแล้วสอนให้เขาบรรลุได้มากมายแต่ว่าท่านไม่ได้บรรลุอะไรหรอก น, นะพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็ทักว่าเออมาแล้วเลยเถินเปล่า ว, ว่างั้นตาแล้วเลยเถินเปล่าพระองค์ก็จะตรัสคํานี้ตอนหลังนี่แกสะเทือนใจมากก็ไปมุ่งปฏิบัติจริงๆเสร็จแล้วท่านก็ได้อุบายจากสมัมมเนนทีนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยหลังยังถึงว่าจิตของท่านอ่อนเต็มที่แล้ว สมควรที่จะบรรลุมรรคผลแล้วพระองค์ก็แผ่รัศมีไปแสดงธรรมว่าปัญญาเนี่ยเกิดเพราะการประกอบแพรความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบัณฑิต ร, รู้ทางสองแพร่งแห่งความเจริญและความเสื่อมนั้นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะพึงเจริญขึ้นปัญญาเนี่ยนะเจริญเพราะการประกอบประกอบอะไรประกอบโยนิโสมนัสิการนั่นเอง ถ้ามีโยนิโสโมนสิการมากมากปัญญาก็เกิดถ้าไม่เจริญโยนิโสมนสิการมากมากปัญญาก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นบัณฑิตร <Bowser> ู้ทางสองแพร่งคือถ้ามีโยนิโสมนสิการมากมากปัญญาก็เกิดมากถ้าโยนิโสมนสิการไม่เกิดปัญญาก็แสดงว่าใกล้เสื่อมแล้วเพราะฉะนั้นรู้ทางสองแพร่งแล้วก็พึงตั้งตนตั้งจิตเอาไว้ว่า ทำฉากไหนปัญญาจาักเจริญขึ้นจักบริบูรณ์ขึ้นใช่ไหมก็คือมีโยนิโสมนัิการมากๆปัญญาก็จะเกิดขึ้นนั่นเอง